สามีภรยาคู่หนึ่งนะไม่มีลูกก็เลยอยากจะรับเอานะหมาที่อยู่ในสถานสงเคราะห์สัตว์เนี่ยมามาเลี้ยงจะเลี้ยงเหมือนกับเป็นลูกก็ว่าได้นะก็ไปที่สถานสงเคราะห์สัตว์นะที่เข า, าเลี้ยงหมาจรจัดนะจำนวนมากก็ไปเจอหมาตัวหนึ่งนะมันยังเด็กอยู่เลยนะ ก็สองสามีภรรยาคนนี้ก็ชอบหมาตัวนี้ก็เลยรับมาเลี้ยงนะตั้งชื่อว่าเฮนรี่นะแล้วก็เลี้ยงเหมือนเพื่อนหรือว่าเลี้ยงเหมือนลูกก็ว่าดได้นะคือเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็พาก็ไปด้วยเวลาไปเที่ยวทะเลหรือว่าขึ้นเขาเนะก็พาเฮนรี่ไปเฮนรีมก็ชอบนะ ก็เรียกว่าสนิทสนมกับสามีภรรยาคู่นี้มากแต่สองคนนี้ก็สังเกตนะว่าเฮนรี่เนี่ยถาหากว่าอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะไม่เคยมีความสุขเท่าไหรไ่คล้ายๆว่าต้องการเพื่อนแล้วก็บ่อยครั้งนะสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ต้องไปทุ่นละืทงทีก็ไปไกลๆค้างคืนก็ไม่สามารถที่จะเอาเฮนรี่ไปด้วย เฮนรี่มก็เลยดูแบบง่อยๆคนเดียวสามีพยาวคนนี้ก็เลยอยากจะหาเพื่อนให้เฮนรี่นะก็ไปที่สารส่งข้อสัตว์นะกะว่าจะเลือกนะหมาสักตัวนะซึ่งก็ควรจะเป็นลูกหมาเพราะว่าฝึกง่ายก็พาเฮนรี่ไปด้วยนะเหมือนกับว่าพาไป ดูว่าชอบตัวไหนเพราะว่ามันมีลูกแมวตัวหนึ่งนะเพิ่งคลอดนะแม่นี่ก็เป็นแมวจอรจจัดที่มีคนเก็บมาฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์สัตว์นี่แหละลูกแมวตัวนี้เนะี่ยเห็นเฮนรี่เนี่ยนะแทนที่จะกลัวนะเพราะธรรมชาติของแมวกับหมานี่มันค่อยถูกกันแต่ลูกแมวตัวนี้นี่กลับเนะเข้าไปหาเฮนรี่ไปคลอเคลีย เฮนรี่เหมือนกับว่าถูกคอกันสามีภรรยาคนนี้ก็เลยคิดว่าเออรับลูกแมวตัวนี้มาเลี้ยงเป็นเพื่อนเฮนรี่ก็แล้วกันเพราะว่าดูแล้วว่าอา่าไปด้วยกันได้นะไอ้ลูกแมวตัวนี้เนี่ยพอรับไปเลี้ยงเนี่ยก็ตั้งชื่อว่าบาลูนะก็มีเฮนรีเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยง แล้วมันก็ไอ้บาลูนั่ก็ติดเฮนรี่มากนะแล้วก็เชื่อฟังเฮนรี่ด้วยปกติแมวเนี่ยมันก็เอาใจตัวนะชอบบวยวายหรือชอบเรี่ยงล้องแต่เจ้าของก็สังเกตพอเอาบาลูไปวางไว้ใกล้ๆเฮนรี่เนี่ยบาลูจะเงียบเลยนะก็เลยรู้ว่าเนี่ยเออสองคนนี่สนิท ก, กันบางทีบาลูเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮนรี่เนี่ยเป็นพ่อของมันก็ได้ ในเวลาสามีพระาคูณนี่ไปไหนเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยก็แต่ก่อนก็พาแต่เฮลี่ไปเราวนี้ก็เอาบาลูไปด้วยนะหมาตัวใหญ่กับแมวตัวน้อยเนี่ยดูแล้วมันก็ขัดกันนะแต่ว่าไปด้วยกันได้ดีนะแล้วเฮลี่มันก็รักบาลูมากนะยอมให้บาลูเนี่ยมันนั่งบนหัวของมันนะ <c oughs> ก็มีคนถ่ายรูไปไ้ก็น่ารักดีเวลาไป เที่ยวธรรมชาติท่องธรรมชาติเนี่ยเขาก็ให้เฮนรี่นอนในถุงนอนนะไอเฮี Henry มันก็ยอมให้บาลูนี่มันนั่งเอามานอนในถุงเดียวกันด้วยนะนอนด้วยกันนะมันเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็ประหลาดมากก็กลายว่าเป็นว่าเนี่ยมีเพื่อนนะสนิทสนมสัตว์ต่างสายพันธุ์แต่ว่ารักกันมากสนิทสนมกัน ก็เป็นช่นที่อยู่หลายปีนะแล้ววันนึงเนี่ยเฮนรี่เหมือนเกิดป่วยนะเป็นมะเร็งไอ้บาโลนี่ก็ไปนั่งเฝ้านะให้กําลังใจเฮนรี่แต่สุดท้ายเฮนรี่ก็ไม่รอดนะเฮนรี่ก็ตายพอเฮนรี่ตายนี่บาโูนี่เศร้าเลยนะเหมือนกับขาดเพื่อนงอยเงาไปเลยคอยตามหาตามทุกซอกทุกมุม ว่าเฮี่หายไปไหนเฮลลี่หายไปไห น, ห น, หาไไหนตามหายังไงก็ไม่เจอคนไปทั่วบ้านก็ไม่เจอสุดท้ายมันก็ไปซุกอยู่ในมุมแคบแคบมุมมืดของห้องของบ้านเศร้านะแมวก็รู้สึกเศร้านะที่เพื่อนจากไปเจ้าของเนี่ยเขาทำยังไงนะก็คิดว่าไอ้บารูเนี่ยคงต้องการเพื่อนนะ ไม่มีเฮนรี่เป็นเพื่อนแล้วก็อยากจะหาสัตว์ตัวอื่นมาเป็นเพื่อนก็เลยไปสารสงมคบสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ไปได้หมาตัวหนึ่งนะไอ ห, หมาตัวนี้เนี่ยมันก็เอ่าเป็นลูกหมาเขาก็รับมาเลี้ยงนะตั้งชื่อว่าแพนแพนนี่พอมาอยู่กับบาลูบาลูก็ชอบเลยนะบาลูนี่ชอบลูกหมาตัวนี้ แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันอยู่ด้วยกันอย่าง ส, สนมนอย่างทั้งแพนนี่โตนะพอโตนี่ก็ไอ้บาลูนี่ก็ก็ชอบโดยสารนะไปกับแพนเนี่ยนั่งบนหัวบ้างละหรือไม่ก็ไปนอนด้วยกันบ้างอะเวลาไปเที่ยวก็เรียกว่ากลับมามีชีวิตชีวาใหม่นะจากเดิมที่งอยเงา นะมีบางช่วงนะตอนที่เฮลี่ตายใหม่ๆนี่ไม่กินไม่ไม่ยอมกินไม่ยอมเที่ยวเลยนะเศร้ามากนะเมันก็ว่าจะตรอมใจตายให้ได้นะจนกระทั่งเจ้าของนี่ทนไม่ไหวก็ต้องไปหาเพื่อนให้มันนะแล้วก็ได้เจ้าแพนนี่แหละพอได้เจ้าแพนมานี่ก็กลายเป็นเพื่อนกันเลยนะกับบาโูไปไหนก็ไปด้วยกันอเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความรักต่างสายพันธุ์นะ สัตว์เนี่ยแม้ว่ามันจะอยู่คนละพันธุ์แม้ว่าจะเป็นพันธุ์ที่ดูเหมือนจะเป็นอริกันนะแต่ว่าก็สามารถจะรักกันได้เป็นความรักข้ามสายพันธุ์ซึ่งมันก็สอนใจมนุษย์เรานะว่าเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็ควรจะรู้จักนะมีความรักมีมิตรภาพนะต่างภาษาต่างผิวพันธุ์ได้ต่างศาสนาก็ได้นะไม่ใช่ว่า ต่างศาสนาแล้วหรือต่างภาษาหรือต่างชาติต่างสีผิวแล้วเราจะต้องเป็นศัตรูกันเมื่อจํานวนมากก็ยังเป็นอย่างนี้นะยังติดยึดในเรื่องของเชื้อชาติภาษาศาสน า, า, าหรือแม้แต่อุดมการทางการเมืองแต่สันนี่นะอย่างบาโูเนี่ยกับเฮดรีเนี่ยมันเชื่อเลยนะว่าแม่ต่างกัน ว่าต่างกันมากๆด้วยนะต่างสายพันธุ์ก็ยังรักกันได้ก็ยังเป็นเพื่อนกันมันก็เป็นเรื่องสอนใจคนเราว่าอย่าให้ความต่างไม่ว่าต่างศาสนาต่างภาษาต่างพิษพันธุ์มาเป็นอุปสรรคขัดขวางความรักมิตรภาพในเรื่องนี้ก็ยังสอนนะว่าสัตว์เนี่ยนะมันก็มีชีวิจิตใจนะมันก็ต้องการเพื่อน น่าประสารกับคนเรานั่นคนเราก็ต้องการเพื่อนเหมือนกันต้องการมิตรภาพแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาแทนได้นะแม้จะมีเงินนะจะมีชื่อเสียงจะมีความสําเร็จในอาชีพการงานแต่ว่ามันก็ไม่สามารถมาทดแทนมิตรภาพได้ แ, แม้จะยากจนนะแม้จะไม่ร่ารวยนะแต่ถ้ามีเพื่อน ที่จริงใจต่อกันนี่มันก็เรียกว่าช่วยเติมเต็มจิตใจได้เรื่องราวของอแมวและหมาเนี่ยทั้งสามตัวที่มันชื่อเห็นนะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ต้องการอาหารกินอย่างเดียวไม่ใช่แค่มีบ้านที่สบายอย่างเดียวมันต้องการเพื่อนและคนเราก็เหมือนกันนะก็ต้องการเพื่อนต้องการมิตรภาพ แต่เดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยไม่ค่อยตระหนักถึงความสําคัญของเพื่อนนะไปเห็นว่าเงินสําคัญกว่าบางทียอมทรียลถักหลังเพื่อนเพื่ อ, อได้มีเงินเพื่อได้มีตําแหน่งมีอานาจอันนี้นับว่าคิดสั้นมากนะแต่ว่าเราก็ต้องแยกแยะนะว่าเพื่อนกับพวกนี้ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยนี้แยกแยะไม่ออกนะไปคิดว่าพวกนี้คือเพื่อนนะคบพวกมากกว่าคบเพื่อนนะอันนี้แยกไม่ออกนะเพื่อนนี่ ต่างจากพวกนะพวกนี้มันก็ปนเปื้อนกันพนอัตตากันไปไหนไปด้วยกันเฮนั่นแต่ว่าเพื่อนเนี่ยบางทีเขาอาจจะปรารถนาดีก็อาจจะมีการขัดแยง้งมีการทักท้วงมีการตักเตือนแต่ก็มีความจริงใจพร้อมที่จะเสียสละเพื่อเพื่อนได้ไม่ใช่แค่หาประโยชน์จากพวกนะเดีย๋ยวนี้เราแยกไม่ออกนะเราอยากจะได้อยากจะคบคนที่คิดเหมือนกันนะรสนิยมเดียวกัน หรือว่าอาชีพเดียวกันแต่หรือคิดเหมือนกันแต่ทั้งหมดนี่มันคือพวกมากกว่านะเราไปคิดว่าพวกนี้คือเพื่อนไม่ใช่เลยนะเพื่อนนี้ก็จะหมายเขาว่าคิดต่างกันได้แต่ว่าจริงใจต่อกันแล้วก็ไม่พน อ, อัตตากันพร้อมจะทักจะท้วงเวลาเพื่อนเหลืองก็ช่วยติช่วยติงแต่เวลาเพื่อนทุกข์ก็พร้อมจะช่วยทุ่มเทเนี่ยซึ่งอันนี้มันต่างจากพวกนะพวกนี้ถ้าเรา สุขเขาก็สุขด้วยแต่พอเราทุกข์นี่เขาไม่ทุกข์กับเราเนะเขาทิ้งเขาตีจากเลยอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเพื่อนกับพวกเนะที่เราต้องแยกแยะให้ถูก